สามสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาร่วมกันได้หรือไม่วงเล็บเปิด22มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อวานมีคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าจะเอาเรื่องการเจริญสติโดยการดูจิตไปใช้ร่วมกับการคิดพิจารณาจะรวมกันอย่างไรมันรวมกันไม่ได้คนละเรื่องกันการเจริญสติเป็นการรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เอาความคิดเข้าไปใส่เป็นเรื่องของวิปัสสนา การคิดพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์นี่เป็นแค่สมถะเท่านั้นเองมันคนละเรื่องกันสมถะมีประโยชน์นะแต่ว่าไม่ใช่วิปัสนาเอาไปปนกันไม่ได้ช่วงไหนควรทําสมถะก็ทําสมถะช่วงไหนควรทําวิปัสนาก็ทําวิปัสนาไม่ใช่ปนปนกันแต่ก็มีนะวิธีปฏิบัติสมถะควบกับวิปัสนาอันนั้นสําหรับคนได้ฌานคือเข้าสมาธิไปแล้วไปดูจิตเอาในสมาธิอีกทีหนึ่ง อย่างนั้นก็ทำได้อยู่แต่อย่างเข้าฌานอยู่แล้วจะมาพิจารณากายอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะพอคิดพิจารณากายจิตก็จะหลุดออกจากฌานเลยแต่ถ้าดูจิตเนี่ยทำสมาธิอยู่ก็ดูได้ถ้าดูจิตเป็นแล้วในตำราอภิธรรมสอนถึงขนาดว่าถ้าไปเกิดในอรูปประพรมได้อรูปประฌานไปดูจิตได้วิปัสสนารูกายอะไรอย่างนี้ไปทาในอรูปประฌานไม่ได้เพราะไม่มีกายให้ดู แต่ดูจิตเนี่ยดูได้ตลอดไปฉะนั้นเราหัดดูให้ชำนาญ น, นะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ไม่สำคัญเท่าใดหรอกถ้าได้ฌานเราก็ทำทั้งสองแบบถึงเวลาทำสมาธิเข้าไปจิตรวมเข้าไปแล้วก็ไปดูความเกิดดับภายในไปดูตัวองค์ฌานนั่นพอถอยออกมาข้างนอกก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันฝึกได้ทั้งสองแบบถ้าคนทาฌานไม่ได้ก็เจริญสติในชีวิตประจาวันให้มากๆแต่ก็ต้องทาสมาถะบ้าง สมถะคือทำใจให้สงบให้สบายให้มีความสุขสมถะที่ไม่ถึงฌานเนี่ยมีเยอะแยะไปอย่างการใช้ความคิดพิจารณานเนี่ยจะได้สมถะที่ไม่ถึงฌานอย่างพิจารณาร่างกายเป็นอาการสามสิบสองอะไรอย่างนี้หรือพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ได้ความสงบในระดับอุปจารสมาธิไม่ถึงฌานถ้าทำอะไรไม่เป็นนะเราไปทาบุญทำทานมาเราก็คิดถึงบุญทานที่เราทา การที่เราคิดถึงทานที่เราทำแล้วเขาเรียกว่าในเครื่องหมายคาพูดจกคารุสติการระลึกถึงการเสียสละของเราพอระลึกไปจิตใจก็แช่มชื่นมีความสุขขึ้นมาจิตก็สงบเห็นไหมมีความสุขแล้วสงบคนไหนถือศีลมาดีนึกถึงศีลที่เราทำแล้วที่เรารักษามาด้วยดีเป็นเวลาช่วงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งสิบปียี่สิบปีอะไรอย่างนี้ยิ่งยาวนานนะ เวลาระลึกถึงยิ่งมีพลังมากจิตใจมันจะฮึกเฮิมแช่มชื่นเบิกบานอันนี้เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดศีลานุสติคือคิดถึงศีลแล้วจิตใจก็สงบเห็นไหมมันไม่ยากอะไรหรอกหรือว่าฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปบางวันฟังแล้วสงบนะวันไหนฟุ้งซ่านมากฟังแล้วโมโหก็มีนะฉะนั้นวันไหนฟังแล้วหงุดหงิดอย่าไปฟังวันไหนฟังแล้วสบายใจก็ฟังหรือหาหนังสือธรรมะ พระสูตรเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระอริยาสาวกทั้งหลายมาอ่านจิตใจเรามีความสุขมันก็เกิดความสงบขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยจิตใจก็สงบขึ้นมาท่องพุทโธเล่นๆไปนะพุทโธพุทโธไปก็สงบได้ดูท้องพองยุบก็สงบได้ขยับมืออย่างของหลวงพ่อเทียนนะขยับเล่นๆก็สงบได้ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้า ถ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรนะยกเล่นๆไปอย่างนั้นแหละก็มีความสุขขึ้นมามันก็สงบได้ฉะนั้นสมาธไม่ใช่เรื่องยากอะไรทีนี้พอเราทําสมถธจิตใจเรามีความสุขความสบายแล้วก็มาคอยรู้กายรู้ใจอย่าไปค้างอยู่ที่ความสุขความสบายนี่การเดินก็ต้องเดินอยู่อย่างนี้แหละทําความสงบเข้ามาบ้างให้ใจได้พักผ่อนให้ใจมีกําลังแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจอย่างที่เข้าเป็นไปเรื่อยๆ นี่ขั้นเดินปัญญาอย่าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวหรืออย่าเดินปัญญาอย่างเดียวเดินปัญญาอย่างเดียวรู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านไปอย่างน้อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้างไม่ถึงชานก็ไม่เป็นไรคนซึ่งทำความสงบนิดๆหน่อยๆก็พอแช่มชื่นแล้วก็ดูต่อไปเลยอันนี้เรียกว่าเดินแบบสุขวิปัสสนานนะไม่ใช่เดินแบบทำสมาธิแต่เดินด้วยปัญญาเป็นหลักสมาธิเป็นตัวประกอบนิดหน่อยแต่ต้องมีทุกคนแหละ ถ้าดูจิตลูกเดียวไม่ทําความสงบเลยถึงช่วงหนึ่งจิตมันจะกระจายออกไปมันจะไปรู้อยู่นอกๆเข้ามาไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานใจไม่ตั้งมั่นมันจะไปเพลิดเพลินนะสบายว่างๆโลง่ลงๆอยู่ข้างนอกปัญญาจะไม่เกิดมรรคผลจะไม่เกิดหรอกเสียเ ว, เวลาเปล่าๆมีแต่ความเพลิดเพลินไปพอตายไปไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมนะไม่ได้มีอะไรดี